ปาญาปานสติหมวดที่หนึ่งโดยหลักวิชาหรือตริต ด, ดีพูดกันแล้วเมื่อวาน <c oughs> วันนี้ก็เป็นเรื่องภาคปฏิบัติขอให้ ได้มีโอกาสฝึกไปเลย <c oughs> สิ่งแรกก็คือคำว่าปลังกังอาผู้ชิตวะนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบ เขว่าบันลังแนี่รคู่ขาเข้ามาโดยรอบทำไมต้องนั่งบันลังอย่างนี้เพื่อมันไม่ล้มถ้านั่งเก้าอี้อย่างแบบจีนหรือแบบฝรั่งเนะ่เพราะมันกึ่งสำนึกหรือเป็นสมาธิมันจะล้มพวกจีนเขาก็ยังเขียนชัดไวในวิธีขเขาว่า ให้นั่งอย่างท่านั่งของชาวอินเดียก็คือนั่งคู่บันลังที่เราเรียกกันว่าคัตมาดไม่ล้มแม่จิตจะเป็นกึ่งสานึกเมื่อมีความเป็นสมาธิเนี่ก็จึงมีการนั่งที่เป็นเทคนิคมันล้มไม่ได้ อย่างพีระมิดนพีระมิดอียิปต์่ะฐานมันกว้างยอดมันแหลมมันล้มไม่ได้นี่ก็เหมือนกันถ้าเรานั่งที่ถูกวิธีแล้วมันจะมีลักษณะอย่างนั้นก็เรียกว่านั่งแบบวัชระคือแปลว่าเพดเห <c oughs> ยียดขาออกเอาเลย ที่นั่งอยู่กับพื้นเหยียดขาออกไปข้างหน้าเหยียดขาออกไปข้างหน้าพับขาซ้ายเข้ามาก่อนพับขาซ้ายเข้ามาก่อนแล้วก็พับขาขวาตามเข้ามาทับบนเข่าซ้ายแล้วงัดเอาเข่าซ้าย นัดเอาเท้าซ้ายนะขึ้นมาวางบนเข่าขวาดึงพับขาซ้ายเข้ามาก่อนติดตัวแล้วพับขาขวาตามเข้ามาวางลงบนเข่าซ้ายแล้วก็งัดเอาฝ่าเท้าข้างซ้ายนะมาอยู่บนหัวเข่าข้างขวา <c oughs> ไปเห็นฝรั่งที่ประเทศพม่านั่งร้องไห้กันเป็นแถวมันทำไม่ได้มันทำไม่ได้นั่งร้องไห้กันอยู่ทั้งหญิงทั้งชายแต่ว่าเราคนไทยนี่โชคดีนะนั่งขัดสมาิอย่างนี้เป็นมาตั้งแต่เล็กๆเล็กๆแม่เคยสอนให้นั่งอันนี้เรียกว่าทานนั่งแบบเพชรล้มไม่ได้แน่นปึกเลย ที่มันมีความอ่าสําคัญอย่างหนึ่งก็ว่ามันเหมือนกันนั่งบนนวมคุณทําได้ยังอ่ะอืจะเห็นว่าไม่มีกระดูกอันไหนถูกพื้นเลยตาตุ้มไม่มีทางถูกพื้นเลยเพราะอันนี้มันขึ้นมาอยู่เซบนนี้ข้างล่างเป็นเบาะทั้งนั้นเป็นกล้ามเนื้อทั้งนั้นกล้ามเนื้อแข้งกล้ามเนื้อก้ออนกล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อต่อโภคมันเป็นการนั่ง บนเบาะอยู่ในตัวไม่มีตาตุมอันไหนที่ลงไปกดกับพื้นมันก็ไม่มีเจ็บเนีย่ยข อ, อนั่งอย่างนี้แล้วมือวางตามสบายบนเข่าก็ได้ไอ้มือซ้อนก็ไม่ได้มีในพระบาลีมือซ้อนเดี๋ยวมือมันร้อนนวบกเรา มือวางบนเข่ายังจะช่วยเป็นสายระยางล้มไม่ได้กันไปอีกถ้าวางมือบนข่าสองข้างนี่มันจะล้มไม่ได้ยิ่งขึ้นไปอีกแล้วนี่คือฝึกนั่งแบบที่ บุญแบบหรือเทคนิคที่สุดล้มไม่ได้และเป็นนวมมักงนั่งบนบนบนบนเบาะอยู่ในตัวโดยอัตโนมัติถ้านั่งแบบธรรมดาคเรียกว่าแบบดอกบัวนั่นน่ะมันมีขาข้างหนึ่งอยู่ข้างล่างและตาตุ่มมันถูกพื้น <c oughs> นี่มันง่ายกว่าแต่ว่าประโยชน์น้อยกว่าทำแล้ว ยืดขาออกไปดึงซ้ายเข้ามาก่อนแล้วดึงขวาเข้ามาทับบนเข่าซ้ายแล้วงัดเอาฝ่าเท้ากันซ้ายมากัดไว้บนเข่าวขวามันแน่นปึก๊กอันีขั้นที่สองมีคำว่าฮุชุกายัง <c oughs> ตั้งกายตรงอลองนั่งตรงที่สุดตัวก็ตรงควาหมายความว่ากระดูกสันหลังมันไม่ตรงไม่ศอกงออยู่อย่างนั้นใช้ไม่ได้คือยืดไม่หมดตั้งกายตรงยืดหมดแล้วไม่มีศอกงอไม่มีตัวยน่นอย่าทําตัวยน่นอย่าทําศอกงอ ยืดตัวขึ้นไปสุดสุดจนจนแขนมันตกซื้อไม่มีเขา่าไม่มีเขางอไม่มีไม่มีคอสอกงอเป็นบอกว่านั่งตัวตรงแล้วก็อย่าทำให้มันย่นอย่าย่นย่นอย่าย่ น, ย, นย่นตัวย่นคอลงมา <c oughs> การทำอย่างนี้ หายใจได้ลึกหายใจได้เป็นระเบียบเป็นธรรมชาติที่สุดเมื่อตัวตรงก็หายใจสะดวกทีนี้ก็เกี่ยวกับตาลืมตาเหมือนพระพุทธรูปในโบสถ์พระพุทธรูปที่ทำถูกตามแบบฉบับในโบสถ์ ที่มาตรฐานแล้วก็จะเห็นพระพุทธรูปลืมตาครึ่งหนึ่งค้งนี้นเป็นความลับของธรรมชาติถ้าหลับตามันชวนง่วงถ้าหลับตาตามันร้อนถ้าว่าลืมตาอยู่ลมอากาศที่มันถูกตาอยู่เสมอตามันก็เย็ยนแล้วมันไม่ชวนง่วง แต่บางคนว่าทำไม่ได้ลืมตาเขาว่าไปเห็นอะไรเสียนั่นแหละไม่ใช่นักเลงลืมตาที่ดูที่ปลายจมูกพยายามดูที่ปลายจมูกแล้วมันก็ไม่เห็นอะไรเราพยายามดูสิ่งที่ดูเห็นไม่ได้คือปลายจมูกลองดูคุณลองดูเดี๋ยวนี้ดูที่ปลายจมูก ลืมตาดูที่ปลายจมูกไม่เห็นอะไร <c oughs> ถ้าไม่ดูที่ปลายจมูกมันก็ไปดูที่อื่น <c oughs> ไปดูคนดูอะไรซะอีกถ้าดูที่ปลายจมูกเพ่งที่ปลายจมูกแล้วตาเบล่งอยู่ที่ปลายจมูกนี่มันจะไม่เห็นอะไร <c oughs> ถ้าหลับตามันชวนเอชวนเอง่วงเลย ตาจะร้อนแล้วก็จะรํำคาญ <c oughs> ทีนี้ก็นิ่งนิ่งนะ้่มีอยู่สองนิ่ง <c oughs> คือนิ่งเพราะบังคับไม่ดีนิ่งเพราะปล่อยเลยไม่ บ, บังคับนิ่งเพราะบังคับแล้วมันจะอัด ขับอยู่ที่ตรงนั้นแหละลระบังคับนี่ก็นิ่งอย่างปลอยเลยมันจะมีอาการเหมือนรถลงไปบางทีจะรู้สึกคืดอึดขึ้นไปเลยเออรู้สึกคืดลงไปเลยคลืดลงไปเลยมันจะมีความว่างมากกว่ากันนิ่งได้บังคับให้นิ่งนะ่ะไม่นิ่งไม่ใช่นิ่งแค่ นิ่งโดยปล่อยหมดแล้วมันก็นิ่งของมันเองตามธรรมชาติจะใช้คำว่านิ่งให้ลึกก็ได้คุณยังนิ่งไม่ลึกยังนิ่งไม่ลึกนิ่งให้ลึกลึกมันจะมันจะมีอาการมันลดลดลดลดไปแล้วมันก็ว่างมากขึ้นว่างมากขึ้น นิ่งโดยการปล่อยไม่ขินิ่งโดยการบังคับ เ, เราจะบอก <c ười> กายบริหารนั่งตัวตรงไม่เอนไม่งอลืมตาดูที่ ลายจมูกก็นิ่งอย่างปล่อยถ้าก็หายใจนี่ก็เริ่มหายใจหายใจลึกสติบริมุขขังทนี้นำรงสติเฉพาะหน้า ติเฉพาะหน้าไมา้ความสติออกไปข้างหน้าออกไปรับออกไปรับอารมณ์อารมณ์หรือนิมิตในที่นี้ก็คือลมหายใจสติออกไปรับอารมณ์เต็มที่ <c oughs> มีอาการว่ามันสงบลงละเอียด แล้วก็ซึมทราบต่ออารมณ์คือลมหายใจถ้าทำอย่างนี้สติกับลมหายใจนั่นนะมันจะซึมทราบซึ่งกันและกันก็ลองดู ลืมตากำหนดอารมณ์นั่งเ ม, อ, มองไกลจมูกทำเลยทำเลย <c oughs> นี่ก็หลับตาที่ลองหลับตาดูบ้างจะได้ผลต่างกันมาก <c oughs> ลืมตาก็ บังคับอยู่ในการเพ่งที่ความว่างที่ปลายจมูกพอหลับตาจิตเ่อนลอยง่ายเดินล อ, อยง่ายกวา่าแล้วมันก็จะน้อมไปเพื่อความง่วงคุณลองหลับตาดูเดี๋ยวนี้ลองหลับตาดู <c oughs> มันเป็นยังไงมันจะมีอาการงวนเงินได้โดยไม่รู้สึกตัวถ้าหลับตา ลืมตาเพ่งอยู่ที่ปลายจมูกจะไม่ไม่คลอนแคลนลงูเ <c> ง <oughs> <c oughs> ินวันต่อไปที่นี่ก็กำหนดลม <c oughs> เราเรียกลมว่าอารมณ์ก็แปลว่าเป็นที่จิต <c oughs> กำหนด เรียกว่านิมิตหรือว่าเป็นที่จิตมันเพ่งเพ่งดูจะเรียกอารมณ์ก็ได้เรียกว่านิมิตก็ได้เ ด, ดี๋ยวนี้ลมหายใจเป็นที่กำหนดของจิตมีเทคนิคหรือมีเคล็ดก็ว่าอย่าไปเครียดครับเครียดครับในการกำหนดอย่าทำเครียดครับ และก็อย่าทำละล้วมอย่าทาละล้วมมีความหมายเคียดครับเมื่อตั้งใจอย่างเขรียดครับนี่ <c oughs> ละล้วมก็คือลอยตามตามเลยตามตามเลยให้มันอยู่ตรงกลางให้มันพอดีอย่าให้มันเขียดครับ เขาเปรียบว่าเหมือนก็จับลูกลูกลูกน ก, กตัวเล็กเลกลูกไก่ตัวเล็กเลกจับแรงนักมันก็ตายจับลวมๆมก็หลุดมือหนีไปน้่นจับอย่างไรพอดีพอดีพอดีกำหนดลมโดยไม่เข็ดรับแล้วก็โดยไม่ละลวม ลองดูเดี๋ยวนี้สิหายใจหายใจหายใจ <c oughs> อืาก็กำหนดอย่างพอดีพอดีไม่เหมือนกับบีบพันแล้วก็ไม่เหมือนกับละหลวมนีเป็นการปรับปรุงลมหายใจให้พอดีให้พอดี หลังจากที่เราได้หายใจอย่างสุดโตมงมาแล้วทั้งข้าวและออกบอกแล้วแต่เมื่อคืนว่าซักซ้อมหายใจข้าวสุดเวียงหายใจออกสุดเวียงรู้จักว่าหยาบอย่างไรละเอียดอย่างไร รู้จักว่าหนักอย่างไรรู้จักว่าเบานั่นอย่างไรทีนี้ทำห้เป็นกลางหมดเป็นกลางหมดไม่หนักไม่เบาไม่หยาบไม่ละเอียดตัวก็ตามสบายกันในชั้นแรกนะี่เป็นอย่างนี้ยังไม่บังคับอะไรหมดก็กาหนดลมหายใจตามสบาย ที่ขั้นที่หนึ่งของอนนาปาณสตรีของเรากําหนดลมหายใจยาว <c oughs> ยาวตามสบายยาวตามสบายไม่หนักไม่กระแทกไม่กระทัน <c oughs> แล้วก็มันจะหยาบในชั้นแรกตามธรรมดาเมื <c oughs> ่อจิตมันยังไม่สงบก็ไม่เป็นไร <c oughs> นี่เราก็กําหนดลมหายใจยาว <c oughs> พูดเป็นคําจําง่ายๆเข้าหา <c oughs> นั่งเป่านกหวีดยาวหมายค่ะว่าถ้ามันจะมีเสียงขึ้นมาบ้างก็ไม่เป็นไรอย่าไปสนใจแต่มันก็เป็นเครื่องช่วยเสียงมันก็เป็นเครื่องช่วยที่เราก็จะได้มีโอกาสสังเกต ถ้ายาวก็รู้ว่ายาวถ้าหยาบก็รู้ว่าหยาบถ้าละเอียดก็รู้ว่าละเอียดถ้าหนักก็รู้ว่าหนักนนถ้าเบาก็รู้ว่าเบาใช้คำว่าทำความคุ้นเคยทำความคุ้นเคยก็ลใหายใจ ทำความคุ้นเคยกับธรรมชาติของลงหายใจจนรู้จักว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างไรนี่เรียนในหนังสือไม่ได้ในตำราไม่ได้ต้องเรียนจากลมหายใจโดยตรงบอกกันก็ยากลักษณะอาการหายใจเป็นอย่างไรมันก็รู้อยู่แล้วว่าเข้าและออก หาข้าวและออกอย่างไรดูดีดู ด, ดีรู้จักแล้วมันมีความรู้สึกต่อสิ่งใดนี่ข้อนี้สาคัญมาก <c oughs> ลมหายใจนะ่ะมันหายใจแต่มันมีอิทธิพลต่อสิ่งใดต่อร่างกายต่อระบบประสาทต่อความคิดนึกต่อความรู้สึก ต่ออารมณ์เลวร้ายที่กำลังมีอยู่ในขนาดนั้นมันมีอิทธิพลเหนือสิ่งเหล่านั้นนะทีนี้พอเราหายใจได้สะดวกดีตามที่เราต้องการเป็นลมหายใจยาวจะมีความรู้สึกสบายจะใช้คำสกโกหนนอยก็ได้ว่าอร่อยอร่อยสำหรับผู้ทำสมาธิ ตรงนี้จะยาวเป็นระเบียบละเอียดนี่จะสบายสบายสบายมันเป็นอัศาธาอัาธาแปลว่าอร่อยหรือสบายหรือ <c oughs> ถึงกับเป็นสเสน่ห์นะคือคือทําให้เราชอบมันชอบมันต้องอร่อยต้องสบายลองรู้ดีทําให้ได้สิแล้วจะชอบมันจะชอบมัน ชอบลมหายใจยาวที่ถูกต้องแต่ไม่ให้ชอบเพื่อหลงรักหลงยึดถือชอบอย่างที่เรียกว่าสบายเป็นสิ่งสบายนั่งเป่านกหวีดยาวๆข้าวและออกจนเป็นที่พอใจ มันอาจจะกินเวลาหลายชั่วโมงก็ได้อย่าอวดดีไปว่าคุณจะนั่งเปล่านกวีดยาวๆได้นี่แล้วมันอาจจะหลายวันก็ได้สำหรับบางคนคนที่ระบบประสาทไม่ดีบางครั้งไม่ค่อยได้มันอาจจะกินเวลาหลายวันก็ได้เพียงแต่ว่านั่งเปล่านกหวีดยาวๆนี่มันจะกินเวลาหลายวันก็ได้ไม่ใช่วันทาวันนี่เสร็จทุกนักน อันาปานะสติขั้นที่หนึ่งลมหายใจยาวรู้รู้จักความหมายของคำว่ายาวรู้จักอิกทธิพลของคำว่ายาวรักสนั่งคำว่ายาวรสอร่อยของคำว่ายาวนี่ดีๆอ้าวทีนี้ก็มาถึงขั้นที่สองเบานกหวีดสั้นๆคือหายใจสั้นกว่าธรรมดา รู้ไว้เป็นกฎเกณฑ์ธรธรมชาติว่าถ้าอารมณ์ของเราปกติอารมณ์ดีเราจะหายใจยาวละเอียดถ้าอารมณ์ร้ายเ <c oughs> ช่นโกรธเช่นกลัวเช่นตกใจเช่นอะไรอันนี้แลมันอารมณ์เปลี่ยนสั้นลมหายใจมันจะสั้นพูดอย่างวิทยาศาสตร์มันต้องการ ออกเสียนเร็วๆไม่ต้องหายใจสั้นๆเร็วๆเพื่อจะเข้าไปเร็วๆ <c oughs> นี่เป็นความวุ่นว <c oughs> ายอารมณหายใจสั้นมีเมื่ออารมณ์มันไม่ดีถ้าเราจะแก้อารมณ์ไม่ดีเราก็หายใจให้มันยาวแต่เราจะเป็นนักเลงเราจะเป็นนักเลงก่อนนั่นอีกว่าแม้หายใจสั้นแล้วก็ทําอารมณ์ให้ปกติได้ ้อนี้ยากหน่อยก็ลองดูหายใจสั้นค่ะธรรมดาคือไม่บงังคับมันแล้วให้มันมีอารมณ์ปกติเมือนกับหายใจยาวได้ก็ดีมากขั้นที่สองกำหนดลงหายใจสั้นนี่ก็เพื่อรู้อารมณ์มันปกติหรือไม่ปกติ ถ้าไม่ปกติก็แก้ให้มันปกติโดยการหายใจยาวได้ความปกติแล้วก็ทำให้มันหายใจสั้นก็ยังคงปกตินี่คือนักเลงนักเลงผู้ประสบความสำเร็จในขั้นที่สองอที่นี่ก็ ขั้นที่สามตัวบทว่าลมหายใจทั้งปว ง, งสัพพกายะปฏิสั่งเวทีทั้งปวงนี่หมายความว่าทุกอย่างไม่ใช่ทั้งหมดของอย่างเดียวที่แปลเป็นภาษาฝรัง่ง แปลว่า hole ไม่แปลว่า all แล้วมันแปลผิดเมื่อไหร่ all all ก็ตุกชนิดไม่ใชหร่ hole อันเดียวทั้งหมดไม่ใช่กายเนี่ยมีสองกายอย่างน้อยคําว่ากายแปลว่าหมู่หมู่คำว่ากายไม่ได้แปลว่าร่างกายคําว่ากายแปลว่าหมูคือเป็นเป็นหมู่แล้วก็เรียกว่ากายเช่นกองทัพนั่นแหละเป็นหมู่หมูก็เรียกว่ากายเหมือนกัน ผลละกายว่ากองทับตมูแห่งผลกายเนื้อก็อย่างหนึ่งกายลมก็อย่างหนึ่งมันเป็นหมูทั้งนั้นแหละลมหายใจมันก็ยุนรับสนะเป็นหมูกายเนื้อก็ยิ่งเห็นได้ชัดว่าเป็นหมูคือธาตุหลายธาตุมาประจุกันเรารู้จักอืมกายลมมาดีแล้วตั้งแต่ขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองว่า มันเป็นอย่างไรแล้วเราก็รู้ว่าอิทธิพลของมันเนื่องลงไปถึงกายเนื้อเอาลองหายใจสิหายใจยาวมันมีอิทธิพลแก่ร่างกายแก่ระบบประสาทหรือกายเนื้ออย่างไรเอาหายใจสั้นสิเดี๋ยวนี้หายใจสั้น มันมีอิทธิพลแก่ร่างกายเนื้ออย่างไรนี่ต้องทําเป็นโดยความรู้สึกจริงๆนะไม่ใช่คาดกันเองไม่ใช่พูดไม่ใช่คาดกันเองนีวจะเห็นว่ากายลงกับกายเนื้อนี่มันสัมพันธ์กันขึ้นด้วยกันลงด้วยกันหยาบด้วยกันละเอียดด้วยกันเบาสบายด้วยกันหนักอึ้งด้วยกันอะไรก็แแต่ว่ามันสัมพันธ์กันมันมีสองกาย กายทั้งปวงเราจึงสามารถทำกายเนื้อหนังให้สงบได้โดยการบังคับการหายใจบังคับลงไปทางการหายใจเราจะบังคับลงไปที่เนื้อหนังร่างกายระบบประสาทนั้นทำไม่ได้ล่ะทำไม่ได้ลองดูสิแต่เรามีเคล็ดมีวยจะทำได้โดยทำทางลมหายใจ ลมหายใจเป็นอย่างไรไอ้นั่นมันก็จะเป็นอย่างนั้นลมหายใจยาวละเอียดประนีดมันก็สร้างความละเอียดประนีดระสงบระงับมันให้แก่กายเนื้อ <c oughs> ความกลัวทําให้หัวใจหัวใจเต้นตึก ๆ, ๆ, ๆึ๊กตึกึกนลองบังคับมัน บ, บังคับไอ้การเต้นตึกๆึกของหัวใจนั่นแหละด้วยการหายใจที่ละเอียดประนีด เดี๋ยวมันไหตึกๆมันก็หายไปแลยมีแผลเลือดออกมากบังคับไปหายใจละเอียดเลือดมันจะไหลออกน้อยเข้าช้าเข้านี่เรียก ว, ว่าไอ้เรหาย ใ, ใจเมันบังคับร่างกายกายเนื่อนั่นได้เพราะมันมีอยู่สองกายเป็นเกลอกัน พยายามหายใจแล้วก็รู้ว่าการหายใจนี่ไปมีอิทธิพลลงที่เนื้อหนังร่างกายระบบประสาทอย่างไรทำหลายครั้งหลายหนหลายครั้งหลายหนทำดูที่เป็นตัวอย่างเดี๋ยวนี่พอหายใจยาวมันเป็นอย่างไร มันทำความระ ง, งับแก่ร่างกายได้ลึกได้ลึกได้ละเอียด <c oughs> ถ้าลมหายใจนั้นละเอียดประนีดด้วยมันก็ยิ่งละเอียดยิ่งยาวมันก็ยิ่งทําให้ละเอียดประนีดได้ <c oughs> สั้นมันทํายาก <c oughs> แต่ถ้านักเลงก็ทําได้เหมือนกัน หมคาความว่ามันฝึกมาดีแล้วมันฝึกมาดีแล้วแต่ไม่มีใครต้องการเลยอารมณ์ร้ายหรือลมหายใจตันมันก็จัดกระจัดปดัดเป่าออกไปโดยการหายใจยาวเมื่อเราหายใจยาวก็รู้สึกคล้ายๆว่าตัวมันยาวออกไปใช่ไหมตัวมันยาวไป รู้สึกว่าตัวมันยาวถ้าเราหายใจสั้น <g ül> ก็จะรู้สึกได้ว่าตัวมันสั้น <g ül> ลองดูเดี๋ยวนี้ก็ได้เรีย <c> ก <oughs> ว่าสัพพกายะปริสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งสองกายพร้อมกันอย่างนี้ มันเป็นความรู้ลึกลับของธรรมชาติทึ่งไม่เคยมีใครสอนไม่มีใครมีใครสนใจนะเรี <c oughs> ยงงงกว่ายังโง่กับคนโบราณมากเลยนี <c> ้ <oughs> จนเห็นจนโอ้มันเกี่ยวพันกันอยู่อย่างลึกซึ้งนะั้นในรู้ความเกี่ยวพันกันอย่างลึกซึ้งนี่มีประโยชน์ในขั้นต่อไปคือเราจะบังคับ ระบบประสาทหรือร่างกายได้ด้วยการหายใจทีนี้ก็มาถึงขั้นที่สี่ขั้นที่สี่ก็ให้ให้บทนะ่ะบทใอ้บทสูตร วมลาวิ่งตามเฝ้าดูสร้างมโนภาพบังคับมโนภาพสีคำสี่คำขั้นที่สี่ <c oughs> วิ่งตามวิ่งตาม <c oughs> ตามติด <c oughs> วิ่งตามติด <c oughs> ติดติดก้น <c oughs> อุปมาหน่อยเพื่อจำง่ายฮะกัดไม่ปล่อยกัดไม่ปล่อยสุนัขมันไล่กัดอะไรคุณเห็นไหมกัดติดแล้วไม่ปล่อยอย่นี้จะ ก, กัดไม่ปล่อยติดลมหายใจ อ, อ้าทำเดี๋ยนี่เลยหายใจยาวข้าวติดตามอย่างกัดไม่ปล่อยหายใจออกยาวติดตามมาอย่างไม่ปล่อยกัดไม่ปล่อย มันจะมีระยะหยุดนิดหนึ่งเมื่อข้าวไปถึงที่สุดแล้วมันก็หยุดเพื่อจะหายใจออกเมื่อออกมาสุดแล้วมันก็จะหยุดนิดหนึ่งเพื่อจะหายใจข้าวถ้ามันมีการกัดไม่ปล่อยจริงๆอ่ะมันก็ตลอดเวลาแหละเมื่อมันข้าวไปกักดตามหลังเข้าไปนี่เมื่อหยุดหยุ่นก็ยังกัดอยู่นี่ ทีออ่ออกมากัดออกมามาหยุดข้างนอกกักดอยู่นี่มันยังกลัดอยู่นี่หมายว่าสติกํา <c oughs> หนดอยู่ที่ลมหายใจไมว่าเมื่อมันเข้าไปหรือมันหยุดอยู่หรือมันออกมาหรือมันหยุดอยู่หรือมันเข้าไปแล้วมันหยุดอยู่แล้วมันออกมาชายวิธี <c oughs> กัด <là ến> ไม่ปล่อยกันอย่างนี้นี่หมายความว่าเราได้ปรับปรุงลมหายใจที่พอใจแล้วก็มีความยาวเหมาะสมมีความยาวเหมาะสมก็อาการบังคับเดี๋ยวนี้ปล่อยเรื่องอื่นหมดแล้วคงเหลืออยู่แต่บังคับให้ติดตาม ใช่คำบังคับมันค่อนข้างจะวุ่นวายใช้คำ ว, ว่าทำความรู้สึกปฏิสังเวทีเราทำความรู้สึกใช้คำบังคับเนี่ยมันมีลักษณะวุ่นวายไม่สงบในทำความรู้สึกก็คือการบังคับบังคับในความรู้สึกหรือบังคับให้รู้สึก การบังคับนั้นไม่ใช่บังคับชนิดที่เรียกว่าวุ่นวาย <c oughs> ทําความรู้สึกกันแล้วทําความรู้สึกต่อลมหายใจมันแล่นเข้าไปไม่หยุดอยู่มันแล่นออกมาไม่หยุดอยู่มันแล่นกลับเข้าไปทาความรู้สึก <c oughs> เมื่อคืนเมื่อคืเรพูดว่าเหมือนกับพี่เลี้ยงดูเด็กในเพล ที่ยังไม่หลับหันไปหันมาหันไปหันมาอยู่อย่างนั้น <c oughs> ถ้าว่ามันทำไม่เคยจะได้ก็หายใจให้แรงหายใจให้แรงขึ้นแกล้งห้ใจแรงแต่ไม่ใช่ไม่ใช่เราต้องการ แต่ว่าในชั้นนี้เราทําไม่ได้เราหาทําให้ไ ด, เได้เราให้ใจให้แรงข้าวไม่ใจใแรงจนรู้สึกเสียงสุดซาดเลอมีเสียงพูดวิจติแท้ใช่หมใ้ใจมันแรงค่ะมันกําหนดง่ายขึ้นเพราะมันกำหน ด, นหนดได้แล้วก็ค่อยปล่อยไปปล่อยไปผ่อน ล, ล, ล, ลงไปจนไม่ต้องหายใจแรงเพียงแต่หายใจตามธรรมดามันก็กําหนดได้ ต้องการความอดทนหน่อยแลหละไอ้คนขี้เกียจคนนักง่ายคนขุนันทําไม่ได้นะทําไม่ได้นะมันก็เลิกทิ้งไปแหละเลิกทิ้งไปไ ม, ไม่ต้องทํากันมอนต้องการความอดทนขันตีตังช่วยมาช่วยกันตอนนี้สติสมัมปชัญญะประคับประคองให้ดีก็มาช่วยกันตอนนี้ ดูลงให้ใจให้แรงวิ่งตามได้ง่ายเมื่วิ่งตามได้แล้วก็ปล่อยให้มันปะกติตามสบายเบาตามสบายก็กําหนดได้นักสนะหนึ่งเหมือนกับทาเล่นคือไม่เครียดถ้าเครียดแล้วมันยุ่งทําตามสบายเหมือนกับทาเล่นเล่น แล้ไม่ใช่เล่นเลียวไหลที่นี่ก็มาเรื่องเฝ้าดูเฝ้าดูหาจุดที่เหมาะที่ลมมันกระทบกำหนดได้ง่ายหายใจดูเดี๋ยวนี้ มันออกมาหรือมันเข้าไปมันผ่านตรงไหนตรงไหนมันมันกั้นลมตรงนั้นมันก็เป็นจุดที่ให้ความรู้สึกเราเป็นคนไทยไม่ลำบากเหมือนคนนิกโกรที่จมูกมันเชิดขึ้นข้างบนหาที่ทบยากกระทบยาก จุดที่ลมกระทบถ้าจิตใจยังหยาบอยู่หาไม่พบแน่หาไม่พบแน่เมื่อจิตใจมันละเอียดพอแล้วละเอียดพอแล้วสังเกตให้ดีตั้งแต่เมื่อวิ่งตามวิ่งตามยาวๆแรงๆกระทบที่ตรงไหนจับให้ได้ เพราะี๋ี้ก็เอาไว้ให้ได้ที่ตรงนั่นแม้ว่าหายใจละเอียดหรือเบาหรือกติกาตามมันก็ได้ก็ได้แน่แต่ว่าคนที่ชอบทำอะไรยากหยาบหวัดหวัดนัานทำไม่ได้คนมีนิสัยหยาบถึงจะทำยากก็ถือเป็นโอกาสเอเส้นเลือดแก้นิสัยหยาบหยาโง่โ ง, งนั่นนะมันเป็นละเอียดละเอียดหรือฉลาดอะไรตอ การฝึกอย่างนี้เราทําเลยที่นั่งอยู่ที่นั่งอยู่ข้างล่าง ส, สะดวกทําเลยทําดูตายังลืมยังลืมตาเพ่งอยู่ที่ปลายจมูกแล้วก็หาจุดที่ลมมันกระทบ ลองทำดูคงทําไม่ได้ไง่ายๆเดี๋ยวนี้อาจจะฝึกกันไล่ชั่วโมงหรือไล่วันก็ไม่แน่แม้จะฝึกกีฬากายบริหารเขาก็ยังต้องฝึกกัน ซ, ซ้ำซ้ำซากซากก่อนจะทําได้ดีทํามีผลดีเดี๋ยวนี้ก็เป็นจิตตะบริหารมันก็ต้องละเอียดว่านี่กันสักหน่อย ก็ทั้งว่าเลิกจากนั่งแล้วยืนอยู่ก็ทำได้เก่งจริงเดินอยู่ก็ทำได้ถ้าทำได้ไมายก็ว่าจิตนั่นเป็นนิ่ละเอียดที่สุดฉลาดเฉลียวที่สุดเมื่อพบว่าจุดไหน เป็นจุดที่กระทบแล้วก็ระดมไอ้ความสังเกตความรู้สึกลงไปที่นั่นให้หมดเลยให้มันจะชัดเจนยิ่งขึ้นโดยการระดมไอ้ความรู้สึกรู้สึกรู้รู้สึกตัวรู้สึกกะไรแรกแต่จะเรียกให้ลงไปที่นั่นให้มากเป็นที่เศษ อ้าวที่นี่ก็มาถึงขั้นที่ว่าสร้างมโนภาพ <c oughs> มโนภาพนี่เหมือนกันดีมิตตตาเราทำอาณาปานสติเราได้เปรียบคือลมหายใจที่หายใจอยู่เสมอไม่ต้องเที่ยวหาบเที่ยวฮิวอะไร ใช้ลูกแก้วเป็นเครื่องเพ่งมันก็ใช้ลูกแก้วใช้พระพุทธรูปเป็นเครื่องเพ่งมันต้องเที่ยวหอบเที่ยววนอยู่เราใช้อออของภายนอกโดยเฉพาะพึกปฏิบัติกระสินนะครับว่ากระสินมันไ ม, ม่จะไม่พบในพระพุทธภาษิต มันเรื่องแถมฟอกทีหลังก็สิ้นมีดวงวงเป็นวงวงดวงแดงดวงขาวดวงดำดวงแดงแข็งด้วยจอรูฝาให้เป็นรูเข้าแล้วก็แพงนั่นเรียกว่าอารมณ์ที่นอกตัวลาบากไม่เกี่ยวกับเราเรามีอารมณ์ในตัวแต่มันก็ต้องยากอีกทางหนึ่งคือมันละเอียดอารมณ์ที่มันละเอีย ด, มม ล, ยดลมหายใจ กำหนดที่ลมกระทบมากเข้ามากเข้ามากเข้าน้อมจิตนึกไปเพื่อจะเกิดความรู้สึกหอะไรขึ้นมาที่นั่นโดยอาการที่มันเหมือนกับกึ่งสํานึกแค่เดียวเนี่ยความรู้สึกัองจิตมันจะเหมือนกับกึ่งสํานึกมันจึงจะน้อมให้เกิดภาพอะไรขึ้นมาได้ที่ตรงจุดนั้น จะเป็นเหมือนกับเพชรวาววอยู่ที่ตรงนั้นเหมือนน้ำค้างกลางแสงแดดวาววอยู่ตรงนั่นหรือว่าเป็นรูปรุงรังเช่นใยแมลงมุมกลางแดดอยู่วาววอยู่ที่ตรงนั้นที่เป็นดวงดาวดวงอะไรก็ได้เรียกว่าไม่ไม่ใช่ของจริงแต่เป็นสิ่งที่ต้องมีจริงมันไม่ใช่ของจริงแต่เป็นสิ่งที่ต้องมีจริงเพื่อ ยกฐานะของการวังคับจิตนะการเนี่ยทาความรู้สึกด้วยจิตให้สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปคอยสังเกตบางทีภาพเหล่านี้มันมาปรากฏแกตาเราเมื่อเมื่อเราวิ่งเล่นหรือเมื่อทางานทำการหรือนอนเล่นก็ได้ไม่ใช่การทำกรรมฐานนะมันก็ยังมีขึ้นมาได้โดยไม่รู้สึกโดยใต้ํานึก มาอย่างนั้นก็ยังมีประโยชน์ถ้ามีภาพอะไรอย่างนั้นเกิดขึ้นมาในเวลาอื่นน่ะฝึกเก็บมันไว้รักษามันไว้เพ่งมันไว้เพราะว่าคุณเพอเอิญหลับตาแล้วเห็นหน้าใครที่บ้านที่อยู่ที่บ้านที่กรุงเทพนะั่นน่ะคุณเก็บมันไว้ทันทีฝึกฝึกฝึกฝึ ก, ก, กเก็บมันชัดชัด ช, ด ช, ดชดัการฝึกอย่างนี้ก็มีประโยชน์ที่จะทําสมาธิ ม้ในชั้นที่สร้างมันโนภาพถ้าว่าจิตมันกึ่งสำนึกหรือมันค่อนข้างจเจริญเรแล้วมันเกิดง่ายแม้ในความฝันก็เถอะหรือว่าร่างกายไม่ค่อยสบายเนี่ยมันเห็นได้ง่ายกว่านั่นมันเป็นเองเดี๋ยวนี้เราทําให้มันเห็นมันก็นักเลงกว่านะ มนโนภาพที่สวยงามนี่มีสำหรับเพ่งเมื่อมันนี้เมื่อนิมิตอารมณ์นั้นมันละเอียดการเพ่งมันก็ละเอียดนะแตถ้าเราขยับขยายการเพ่งของเราจากความหยาบเป็นความละเอียดละเอียดละเอียดละเอียดรือยประมาณน กลายจากวัตถุเป็นจิตใจแล้วตายจากเรื่องของวัตถุมาเป็นเรื่องของจิตใจแล้วลมหายใจนนะมันเป็นวัตถุมันเป็นคอนกรีตคอนกรีตนี่มาทำห้เป็นอิมเมจิเนชันไม่ใช่คอนกรีตไม่ใช่ของวัตถุก็เลย เก่งไงเก่งใช้คำว่าเก่งแต่ไม่ใช่เก่งเท่าเรอวดดีเก่งเทราเราอวดเดี๋ยวนี้มันทําได้มันทําได้ออันนี้มีมความสําคัญมากมากนะความรู้สึกกระทาได้นี่จะ ต, ต้องใช้ในโอกาสข้างหน้าเพื่อเป็นปีตีปราโมทต่อไปนู้นแต่เดี๋ยวนี้ยังก่อนอย่าเพื่อไปนึกถึงทาให้มันได้ละเอียดละเอียดละเอียดยิ่งยิ่งขึ้นไป คนหยาบคนโง่ทําไม่ได้ <c oughs> มันละเอียดมันเป็นนิจมันถ้าทําได้แล้วก็ต้องรักษาวให้มันชัดอยู่ให้มันแรงขึ้นแรงขึ้นอย่างนี้จริงๆตั้ ง, งละเอียดประนีจประครับประคองมั้ของใหม่ๆอย่างนี้ในลักษณะสมาธิก็ดีวิปัสสนาก็ดีมันต้องรักษา <c oughs> รักษา ใช่คำว่ารักษาคือทนุถนอมรักษาอย่างดีให้มันกลับหายไปเสียภาพที่เห็นมันกลับหายไปไรไงงะถ้าทำอะไรหยาบปนิดเดียวสะดุดนิดเดียวแต่ ถ, ถ้าประคองจิตไว้ดีก็รักษาไว้ได้เหมือนคนประคองขันน้ำใส่เต็มเปี่ยมเดินไปบนหินที่กรุกระ น้ำไม่หกต้องการความประนีตสักเท่าไรอุปมาอันหนึ่งเขาว่าเหมือนกับ น, นางแก้วรักษาคันที่จะคลอดบุตรออกมาเป็นพระจักกะพัฒน์เราจะเชื่อไม่เชื่อเรื่องนั้นก็ตามใจเราเอาแต่อุปมาความหมายอุปมานางแก้วตั้งคันรู้ว่าบุตรคนนี้คลอดออกมาจาก คันแรกจะโตขึ้นเป็นพระจั ก, กรพรรดินางแก้วก็รักษาคันเป็นอย่างดีธนูธนอมทุกอย่างทุกทางรอบด้านเพื่อไม่ให้ลูกในคันมันตายนี่มิตรอารมณ์ที่เพ่งได้อย่างนี้ตายง่ายเหมือนอย่างนั้นถ้าคนมันหยาบมันรักษาไว้ไม่ได้แล้วถ้าคนนิสัยหยาบหยาบก็รีบแก้ไขเถอะอย่าอวดดีอย่าทอะไรหวัดหวัดหยาบยาบ ทำนอประนีตประนีตแล้วจะมีประโยชน์เหลื่อหลายในอนาคตรักษามันโลภาพนี่ไว้เป็นอย่างดีชัดเจนยิ่งขึ้นชัดเจนยิ่งขึ้นชัดเจนยิ่งขึ้นอ้าพอนี้ก็บขั้นที่สี่เปลี่ยนมันโลภาพเปลี่ยนมันโลภาพ น้อมจิตไปอย่างไรความเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างนั้นเปลี่ยนขนาดขนาดใหญ่ไปใหญ่ขึ้นขนาดเล็กลมกเปลี่ยนขนาดเปลี่ยนสีสีจากสีที่เป็นอย่างหนึ่งให้เป็นสีที่เป็นอย่างหนึ่งจากที่แวววาวไม่ให้เป็นแวววาวนะนี <c> ่ <oughs> <c oughs> ก็เปลี่ยนอิรียบท คือไม่อยู่กับที่ให้มันเคลื่อนไปให้มันลอยไปให้มันลอยมาให้มันวนรอบแล้วก็แล้วแต่น้อมจิตไปได้อย่างไร <c oughs> มันก็เปลี่ยนอย่างนั้นมันบังคับมันโนภาพจริงแต่ที่แท้ันคือการบังคับจิตพร้อมกันไปในตัวนท้เดี๋ยวนี้จิตของเราจะละเอียดอ่อน มุทุอ่อนโยนกรมมณียะสงควรแก่การงานแอคทีฟเนสแอคทีฟเ น, ฟเนว่องไวต่อหน้าที่จะมีมากขึ้นเพราะการฝึกอย่างนี้เพราะการฝึกอย่างนี้จะมีประโยชน์ทั่วไปหมดใช้ทำสมาธิก็ได้ใช้ทำอะไรโลกโลกก็ได้คือจะมีจิตที่อ่อนโยนนิ่มนวลควรแก่การงาน ในชั้นนี้ก็เรียกว่าละเอียดประณีตจะเป็นคุณวิเศษกว่าธรรมดาอยู่แล้วในที่สุดก็เลือกเอาภาพลายภาพหนึ่งเป็นภาพนิ่งอีกไม่ใช่ภาพไหวเป็นสเตติกทไม่เป็นไดนามิกละนิ่ง นิ่งแฟนที่จะนิ่งแหงแหงอยู่ในมโนภาพที่เหมาะสมทิ่นนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งมีความนิ่งเกิดขึ้นมีความสงบเกิดขึ้นมีความระ ง, งับเกิดขึ้นนี่คือความเป็นสมาธิ สำหรับผู้ที่ไม่ต้องการอะไรมากกว่านั้นเท่านี้มันก็พอแหละทาให้ได้อย่างนี้ทาให้ได้อย่างนี้จะรู้สึกต่อสิ่งที่เรียกว่าองฌานได้ในขณะที่นิ่งอย่าคาดเจะว่าจิตดวงเดียวคิดเรื่องเดียวได้เท่านั้นก็ถูกแล้วแต่มันเปลี่ยนได้อย่างเร็วไม่ทันรู้ มันกำหนดความนิ่งอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกแต่พร้อมกันนั้นจะรู้สึกว่าโอ้วิตกคือกำหนดอารมณ์วิจาร์คือซึมซาบต่ออารมณ์ปีติคือพอใจที่เราทำได้สุขคือสบายสบายอย่งที่ไม่เคยพบมาแต่ก่อนแล้วเอกะขะตาแน่นอนที่ว่าจิตมีอารมณ์เดียวมียอดสุดอยู่ที่สิ่งเดียวเอกะขะตา วิตกคือกำหนดที่อารมณ์วิจาร์คือรู้สึกซึมซาบ่องอารมณ์ปีติคือพอใจว่าทำได้สุขคือเป็นสุขที่เป็นของใหม่นี่เอก ค, าคาตาอารมณ์เดียวเลือประมาณ นี่จิตกว่าจะเป็นอย่างนี้ได้มันต่อสู้ต่อสู้เพราะมันเกิดความรู้สึกอะไรแปลกๆเห็นอะไรแปลกๆอย่างที่กล่าวแล้วเมื่อวา น, นอย่าไปสนใจกันมันยเมื่อสัตว์เมื่อเราปล่อยไว้เฉยๆมันก็ไม่มีอรรถผล ด, ดูไรอะไรพอจับมันมัดจับฝึกนี่มันก็ดิ้นรนจิตก็เป็นอย่างนั้นน่ เดี๋ยนี้มันบังคับมาตามลําดับตามลําดับวิ่งตามเฝ้าดูสร้างมนโนภาพแล้วก็บังคับมนโนภาพบ้าดี๋ยวอยู่ในอํานาจแล้วอยู่ในอํานาจแล้ว <c oughs> ทีนี้อย่าลืมคํำว่าวะสีวะสีเราฝึกได้ในขั้นไหนแม้แต่ขั้นต้นต้นก็ต้องซักซ้อมซักซ้อมซักซ้อม เช่นเียกับฝึกกีฬานะฝึกได้เท่าไรก็สักซ้อมซักซ้อมฝึกสูงขึ้นไปก็ซักซ้อมซักซ้อมนี่ก็เหมือนกันแหละว่าสีแปลว่าผู้มีอำนาจเพราะมาเดียวนี้มีอำนาจเหนือจิตเขาก็จิตเองนันเอง <laughs> มีอำนาจเหนือจิตจิตที่ประกอบไปด้วยคุณธรรมสติสัมปชัญญะอะไรต่างๆก็มีอำนาจเหนือจิตซักซ้อมความที่มีอำนาจเหนือจิตโดยจิตจิต เองมีอานาจเหนือจิตซักสร้างความที่จิตมีอํานาจเหนือจิตก็ด้วยจิตเนี่ยิืมรู้จักจิตด้วยดีๆจะได้ไม่เอาเป็นอัตตาจะได้รู้อนัตตาว่ามันสักว่าจิตเท่านั้นแหละแล้วบังคับวัตถุอร่างกายเท่านั้นแหละแล้วไม่มีไม่มีอัตตาเจตพูดวิญญาณสักจิตผีสางอะไรที่ไหนเรื่องเจตพูดเนยึดถือกันเรือเกินเพราะมันได้รับการซอนก่อนก่อนสึ่งได้ ถ้าทำให้เชื่ออย่างนั้นได้โดยธรรมชาติโดยง่ายเรามันโง่กว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ต้องเห็นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เน้นว่าจิตตามธรรมดาเมื่อฝึกเขาแล้วมันเป็นอย่างนี้ <c oughs> ทีนี้มันก็เป็นเรื่องที่จะศึกษาเรื่องอนัตต ตาไปเสียตั้งแต่แรกเริ่มอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันจริงมันเป็นเรื่องสูงเรื่องเรื่องสูงเรื่องจะหลุดพ้นกันนู้นแต่ว่าตั้งต้นได้แต่ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้มันง่ายดีเห็นลมสักว่าลมเห็นกายสักว่ากายเห็นจิตสักว่าจิตเห็นความเปลี่ยนแปลงแหล้วนั้นสักว่าถ้าความเปลี่ยนแปลงตามกฎของธรรมชาติลมเป็นอย่างนั่นก็ เช่นนั่นเองอ่ะไม่ใช่ไม่ใ ช, ไใช่ไม่ใช่เจตพูดวิญญาณมันเป็นอนัตตาไม่ต้องมีตัวตนนี่มิตรก็ดีอาการก็ดีอิิพลก็ดีกายเนื้อก็ดีกายลมก็ดีเอามาพิจารณาเสียให้หมดว่ามันเป็นไปตามธรรมชาติไม่มีอัตตาตัวตนที่เป็นผู้บันดาลไม่มีพระเจ้าบันดาลให้มันสาเร็จอยู่ที่การฝึกตามธรรมชาติ เนี่ยขอให้รู้จักทุกอย่างทุกกระเบียดนิว้วที่ได้ผ่านมาในความรู้สึกลมก็ดีอาการองลมก็ดีร่างกายก็ดีไม่ที่สุดแต่ว่าไอ้ความรำงับรำงับรำงับหยบสงบลงไปก็ดีไม่ใช่พีสางเทวดาที่ไหนมันช่วยบรรดาไม่ใช่เป็นเรื่องของเจตพูดวิญ ญ, ญาณที่ไหนมันเป็นเรื่องของจิตเนื่องอยู่กับกา้ ได้รับการบังคับถูกต้องดีแล้วมันก็จะหายโง่เรื่องอัตรามันมีอะไรศักดิ์สิทธิ์แขวงอยู่วิธวีวิธีที่ผิดผิดโบราณน่นเขาเขาเข้าใจกันอย่างนี้เพราะมันไปเอาศยศาสตร์มาปนกันข้าแล้วก็จุดทูปจุดเทียนอ้อนวอนวงสรวงขอให้ว่าพระ ปีติองค์จานฮคอยพระปีติมาเชิญพระปีติมาพระปี ต, มปติมาโปรดอย่างนี้ก็มีนั่นมันเป็นเรื่องผิดผิดมันเป็นเรื่องเจริดเปิดเปิงเป็นเรื่องของอะไแบบที่มันผิดผิดมันมันช่วยไม่ได้มันก็ต้องมีอย่างนั้ น, นเพราะว่าเอาศิลปศาสตร์เข้ามาปนเห็นเราไม่เป็นอย่างนั้นเห็นชัดตามที่เป็นจริงทั้งสิ่งทั้งปุงอย่าท่าภูตังประชานาติสมะปัญญายปัตสติ เห็นถูกต้องด้วยปัญญาณชอบตามที่เป็นจริงนี่ฝึกอย่างนี้ผู้ฝึกต้องบอกบทให้เป็นบทเป็นบทเป็นบทยอมเสียวเวลาด้วยกันอย่างนี้ทำไม่ได้เพราะคุณให้เวลาชั่วโมงเดียวใเวลานี้ก็ชั่วโมงหนึ่งแล้ว อ, อยุติการปัญญา